หน่อยน ะ, ะชีว้วนะ่านง ง, ง, งนั่นงกนู่นงกนี่นั่งหลับเดี่ยวสะถนหลุดมือไปยังไม่ได้นะนั่งไปเดียวเดียวก็งงแล้วนั่งอยู่แต่ตวงไม่หลับตลอดเวลาเลย <c oughs> ตัวเวทนาจิตทำเป็นทางทเจรนาแกงงวงแก่ท่นแน่สอนพระบอกเวลาเจรงงวงสอนหลายอย่างหลายทางหมายถึงว่าง่วงอยู่นนคนเดียวตานี้แกโดยอุบายวิธี ยอนหูล้างหน้าอาบน้ำเดินอยองกลมดูดวงดาวมีทีหลายอย่างที่ ส, สอนโมกละนะยิงง่งวงยิงยาจะเหตสงบแล้วก็เลยหลับไปเคลิมไปเ <c oughs> จ้านายมาหหาย เจน่าลงไปในกายของตัวกายมันเป็นที่รักที่ชอบที่เจียยที่ชังของจิตถ้าพี่เจนาไปในเน่สวยงามมันก็เกิดกำนัดยินดีเกิดเพลินหลงไหลถ้าพี่เจนาไปในทาง <c oughs> กรรมฐ า, านอสุบะอสุปัง มันก็ทำให้สรวบสังเวชทำให้เบื่อหน่ายเพราะความเป็นจริงที่เราพิจารณา่วรตืนก็ขาดานเน่สุ่มเดาไปเสียก่อนต่เมื่อจิตใจมันสงบ ม, มันมีสมาธิมันเห็นเกิอดอุปสะจิติดงูติดตาจริงจริงจังจั ง, จงถึงหนังจะหุ่มเอาไว้ แต่ความรู้ความเห็นภายในใจมันเห็นเด่นชัด น, นันมีอะไรปกปิดพิจายณาใส่พิจารณาปุงพิจารณาตับพิจารณาอะไรภายในมันเห็นล้าจับเมื่อมันเห็น <c oughs> ของกกสโสโกรกโสโมภายในอย่างนั้นความคิดคิดติดข้องกำนัดยินดีนั้นก็ตกไป พะมันไม่มีอะไรที่สวยที่งามขุดถึงไส้สาวออกมาดูมันสวยมันงามที่ไหนใส่เป็ดใส่ไก่ใส่หมูกว่างขายได้ใส่คนมันไม่มีท่าไม่มีคุณค่าไปขายที่ไหนก็ไม่ออกถ้าไปเห็นจริงจังมันเบือ่อ มันไม่ยินดีมันไม่ชอบยังจะเห็นลำไส้ในลำไส้มีอะไรอีกของปฏิปฏิกูลมันมีเป็นแน่นอยา่นั้นไม่เฉพาะของปฏิกูลเท่านั้นสัสตว์ที่ไปอาศัยกินของปฏิกูลไปลงนี้อีกมีไม้ถึงพิเยนาหาทางแก่ไข ใจติดขอ้อกําหนดใจมันเห็นใจมันเป็นอย่างนั้นมันไมนมีอะไรที่เป็นหญิงเป็นชายเผืดถึงกายก็เป็นก่อนอรุภะคือก่อนสกปรกแต่ของสะอาดน่านิยมชมชอบแต่จะพิยนาไปถึงฐานของมัน ดินน้ำลมไฟเป็นอย่างไรพิ่เจนะให้เข้าใจชัดเจนอย่างนั้นแล้วสัตว์บุคคลมันมีอยู่ที่ไหนนอกจากสมมติเดี๋ยวเราไปหลงยึดหลงถือว่าเราว่าของของเราไปยึดเอาอะไรไปยึดเอาของเน่าของเหม็นของปฏิกูลอย่างนีง้เป็นเราเป็นของของเราสัญญามันจะเกิดขึ้น ให้แก้ไขใจผิดครองจิตปรุงต่างๆให้ตกไปนี่หมายถึงการพิเจนาธรรมะพิเจนากรรมาฐาน <c oughs> ใจเรามันแตงนด้แ่พิเจนาไปในทางผิดมันก็ผิดทำจิตทําใจให้ปุงุงให้ครอบแต่พิเจนาไปในทางถูกอาจถูกทำมันละมันถอนมันปล่อยมันวาง มันเบื่อมันหน่ายมันทายกำหนักหลวงพ่อจ่ายจึงใหนพเจนาสอนเจสาโลมานะขาทันตายกให้อุปชาอาจารย์แน่สอนกรรมฐานก่อนเถอะบรรพชาเป็นสา ม, มเณรหรือหลวงพ่อบทเป็นที่สุขทุกคนจะต้องเรียนกรรมฐานก่อนที่ฉันมอบอาวุธให้ เพียงแค่นั้นแหละสมัยพุทธกาลสอนกรรมฐานเพียงแค่นั้นมันจะยืดยาวมากมายอะไรแต่ก็เอากรรมฐานนั้นแหละไปไปฏิบัติทีนี้พิจานณาจิตใจของท่าของเ น, นเหล่านั้นตั้งใจใค่คิดพิจารณากรรมฐานจริงจังจิตสงบจิตรวมจิตรู้จิตเห็นละกิเลสตัณหา มานากจิตถิ ด, ด้เป็นสารณะนะเป็นพระอาหารหันตอรหันต์ให้เราได้กล่าวว่าพวกเราสมัยนี้มันก็มีใน่ใช่มันไม่มีมมมผมขนเล็บฟันหนังมันมีด้ยวยกันทำให้ที้สิ่งเหล่านี้จะเป็นบวชเป็นทิกสุสามะเนยนบวชไม่ได้ มันต้องมีทั้งผู้หญิงผู้ชายกรมมฐานทั้งหา้าแต่พวกเราไปา่อให้พิจารณาให้เป็นธรรมพิจารณาให้เป็นกิเลสผมบอกว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ตกแต่งใหนมันเป็นทร ง, ง, งนั้นทรงนี้หลุ่มหลงเผลิดเพลินเสียเงินเสียทองไปมากเพราะการแต่งผมทำผม สวยไหมสวยมันงามตัวเองก็หลงคนอื่นที่มีจีเล็ก็หลงอยู่วนจีเล็ตัญหาสมัยพุทธกาลบางท่านเชงตรองผมท่านั้นผมตกลงมาสูดินท่านก็พิจัยนะหย่อนของผมที่ตกออกมาจากที่ศักดิ์นันเป็นอย่างไร ยังจับเรื่องของผมมาพิจารณาใจของท่านหลุดไปจากราคาตัณหานี้ตามตาหรับตาราทางพุทธการทัเร็วมากการพิจารณาพอเห็นเท่านั้นก็ค่อยใจท่วงไปว่าในร่างกายอันนี้ทั้งขาอันนี้เป็นของปฎิกูลนี่พวกเรามันไม่เป็นอย่างนั้น เห็นก่อนในนมาร์ที่นี่พิจารณาหรือพิจารณายังไม่ถึงจุดที่จะสงบถึงจุดที่จะหลุดจะลอยก็ถือว่าตัวพิจารณาแล้วมันใหม่แล้วถต่มันไม่ถึงจุดของเก่าของพิจารณาอยู่เรื่อยให้มันผู้ใจให้มันเห็นจริงอยากไปถือว่าสิ่งนี้เราเคยพิจารณาแล้วจะพิจารณาใหม่ไปเหมือนกันกับเราทานอาหาระ ในวิถีทานที่อื่นทานในป่า้องเก่าแต่ร่างกายก็เติบโตขึ้นพอทานเนื้อมากกวาทานเนื้อมาก็าทานอยู่เรื่อยไม่ใช่ทานแล้วจะไปทานอีกถ้าไปทานอีกก็ไม่นานคนที่ไม่ทานอาหารคนจะต้องตายการพิยนาธรรมะก็ทำนองเดียวกัน ถึงสิ่งที่เราเคยพิจารณาเคยได้ยินไดฟังกัวตาคือข้องเก่าไม่มีข้องใหม่ใจต่อใจเก่าที่เหลือปัญหาของตัวเก่าเราอย่าไปถือว่าอันนี้เคยพิจารณาแล้วเคยฟังแล้วเคยคิดแล้วมันไหม่แล้วมันยังล้องยังติดเิุณจะต้องทีนี้พิจารณาเรื่อยไปถามมันแล้วมันหมดมันเปิดมีปัญหาไม่มีทางสงสัย ไม่มีอะไรที่จะทําอีกนี่คือมันแล้วมันหมดมันสิ้นจะไปหาอะไรกันอีกพอมันหมดไปแล้วเรื่องที่จะทํานี่เราไม่เป็นอย่างนั้นของเก่ารูปอันเก่ามันก็ติดก็คิดก็ปรุงอยู่นั้นเหมือนยังติดยังคล้องอยู่ตรองพิจารนามันแก้ไขมันเจริญใจได้เตรษฐได้ปัญญาได้ความรู้ ความฉลาดแม่ลหลงไหลติดข้องต่อไปจึงเลิกความจริงถ้าพิจารณาอย่างว่าถึงจุด <c oughs> ของมันที่จะเลิกจะละมันเลิกวันละได้แล้วก็ไปต้องไปถามคนอื่นว่ามันเลิกวันละอย่างไรมันเข้าใจในตัวเองรูปนี้อยู่กําหนดให้มันพิจารณามันพิจารณาไม่ได้เพราะเหตุใด เพราะมันไม่ยอมพิจัยนะมันไม่มีการสงสัยกับรูปรูปก็เป็นวัตถุอันหนึ่งเป็นนามธรรมอันหนึ่งสิ่งเียพิจามณาพอแล้วรูปไม่ใช่หรมันจะไปสวรรค์นิพพานไม่ใช่มันเป็นกิเลสปัญหาอะไรที่มันเป็นกิเลสปัญหาอวิชชาอุปาทานมันไม่ใช่เรื่องของรูปมันเรื่องของจิต มันเป็นอย่างนั้นจะไปเอาอะไรกันกับลูกถ้ามันพอเรื่องของมันมันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นยอมพิจารณาเรื่องลูกต่อไปพรลูกสักแต่ว่าลูกเท่านั้นเป็นสมมติอันหนึ่งนั้นไม่มีหลงนี่คือเรื่องมันพอเมื่อมันยังไม่พอก็ต้องพิจารณาเรื่อยมันทำไมมันถึงไ้หมันไปหมายไปยึดไปถือ ไปติดไปข้อว่ามันสวยมันงามมันน่าจูบน่าชมอย่างนั้นอย่างนี้หาอุบายพิจารณามันถลกออกไปหนังใส่สาวออกมาแขนคอเป็นพวงเดินยงกลมอยู่นั้นกระดูกท่อนน้อยท่อนใหญ่ดึงออกมาดูกวางเอาไว้ มันสวยไหมงามไหมของเหล่านี้พิจาาใหมันเห็นให้มันเป็นในจิตในใจจนเข้าใจมันพอเมื่อไรมันรู้เองเหมือนกันกับเราทานอาหารเน่ะมันอิ่มไม่ต้องไปถามคนอื่นถึงอาหารจะยังเหลืออยู่มันก็กินไม่ได้จิตพอต่วรู้กเหมือนกันมันไล่ในเข้า ใหพิจารณาเรื่องของลกูกพอพิจารณามาพอแล้วกําหนดมันก็ไม่อยู่มันจะตรงดิ่งในเรื่องของนามสิ่งที่มันเหลืออยู่อะไรที่มันเหลืออยู่มันยังสัมผัสอยู่มันจะไปตามอันนั้นเสิ่งที่มันพิจารณามาแล้วมันหมดไปแล้วมันไม่ กลับมาพิจารณาเหมือนกันทก็ไฟมันไหม้หมดแล้วมันไม่ใหม่อีกเหื่อนั้นหมดที่มันเหลืออะไรมันจะจะต้องไหม้ต่อไป <c oughs> ใจของลูกเพืพ่อทากับทำนองเดียวกัน <c oughs> แต่ความันจะพอเหลืองขงลูกไม่ใช่หรืมันจะพอยองอะ่ะแต่มันยังไม่ฟ อ, อร์มอะไรอย่าไปืิอว่าเราเคยพิจารณาไม่ต้องพิจารณามัน นั่นมันยังไม่พอต้องพิจารณาเลยว่าพิจารณาแล้วพิจารณาอีกมันผิดหลักของจิตศึกษาของเก่าพิจารณาของเก่าพ <c oughs> กิเลียตัวเก่าคนคนเก่าไม่ใชคนใหม่มาจากที่ไหนอะไรที่มัน มาเกี่ยวของต้องผัดกับใจพิจารณาการพิจารณาทำการฝึกอบรมตัวอยู่เฉยๆไม่คิดไหมอ่านอะไรคิดอ่านอะไรก็ไม่ใจทางที่จะแกไขตัวเองแล้วแต่มันจะคิดไปนึกจะปรุงจะแตกอย่างนั้นมันไม่เป็นไป เรื่องจิตใจจะต้องมีขอบเขตมีสติปัญญารักษาวันที่จะเข้าไปสงบได้ก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาบังคับบัญชาให้มันอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราสัมผัสเราพอใจแต่จะอะไรก็ตาม แต่บริกรรมห <c> ร <oughs> ือเพ่งเมื่อหนังเอ็นกระูกไม่ผิดขอให้จิตมันสงบได้ถ้าจิตมันสงบไปได้แต่พิจารามากมายขนาดไหนมันต้องปเป็นอาจเป็นธรรมให้พอใจในรับความสงบความสบายใจเบื้องต้นฝึกฝนให้สงบเมื่อสงบติดแต่ความสงบเพราะถูกรูกเสียง เรื่องราวต่างๆลบกวนนิดหน่อยเขาเขาไปส ง, งบอยู่นั้นไม่อยากคิดอ่านแจ้ไถอย่างนั้นท่านเรียกว่าสมาธิหัวต่อคืออาศัยแต่ความส ง, งบไม่อยากคนคิดไม่มีวิปัสนาในปัญญาหาแต่ความส ง, งบเท่านั้นความส ง, งบนั้นบางครั้งบา ง, บางทีมันเข้าส ง, งบไม่ได้ก็เดือดร้อนพอมีพื้นฐาน ของความสงบพอต้องควสรสันจึงให้่ิจัยนาดานนา่านปัญญาอหลี่ยมวิัารนาพิจัยนาเหลีย่ยมนิจังทุกครัง้งอนัตตาต่างๆพิจัยนารูปประทามนามธรรมให้พอใจแจ่มใสชัดเจนจิตใจมันเห็นมันรู้มันก็จะต้องหายการสงสัย หายความข้องใจนี่มันไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นันจริงมีการี่จานาอยู่เรื่อยแก่ไขยอยู่เรื่อยพอมันยังไม่ถึงจุดพอคข้องมันเบิ่งเตเป็นเรื่องสาคัญคือความสงบทำให้มันสงบพอมันเคยปรุงเคยฝุ่งมาพอแล้ว ความสงบเป็นอย่างไรมันไม่เคยเห็นเคยเป็นในตัวถ้าสงบแล้วไปติดความสงบก็เป็นทางผิดดั่ว่าติดสมาธิจึงเห็นที่เจนะอย่างทางปัญญาพี่เจนะทุกครั้งอนิจจังอนัตตานี่คือาทางจใจเกิดปัญญาเมื่อเข้าใจในเรื่องทุกครั้งอนิจจังอนัตตา มันละมันถอนมันไม่จิตไม่คล่องไม่ว่าแต่งแต่เรื่องของลู้เรื่องของนามคือความเสื่อมความเจริญของใจทําดีความชั่วของใจก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องอันนี้จังทุกขรังอนัตตาอีกเหมือนกันเมื่อมันเจริญขึ้นจึงไหม่ตื่นเต้นเมื่อมันเสื่อมไปจึงใหม่ง้อยเหงาถ้าเราเคยเป็นเคยสังเกต มันสงบระงับมันเป็นอย่างนี้ต่อมามันเสื่อมมันเสียไปอย่างนั้นทำอีกต่เพื่อปฏิบัติอีกจเจริญขึ้นมาอีกจนผลที่สุดไอ้ความเสื่อมความจเจริญ ม, มันเกิดมาจากอะไรนี่มันเป็นอาการหรือมันเป็นตัวจริงของจิตมันจะสืบที่นี้พิจารนาให้รู้เมื่อมันรู้อันนี้ มันมีการเกิดได้มันก็มีการเสื่อมได้การตายได้เราไม่ตื่นเต้นไม่ลงไหลหน้าที่มีอย่างไรแต่เพื่อปฏิบัติรื่อยไปเพราะจิตใจยังไม่หมดมันจะต้องมีอยู่อย่างนี้มีการเสื่อมการเกิญเป็นคู่กันมีการเมิดการสว่างเป็นคู่กันมีการเกิดการดับเป็นคู่กันอยู่สิ่งที่เนื้อคู่เหล่านี้คืออะไร เมื่อยังไม่เห็นมันก็จะต้องไปในดีใจเชียใจเหลื่อยๆไปเสียก่อนเมื่อมันเห็นมันก็หมดปัญหาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอยู่อย่างนี้นเรารูกว่าทำนามาทำระวังจิตใจของตัวอย่าไปลุ่มหลงเผื่อเพลินก่อเกี่ยว หากระวังใจตัวได้สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เป็นภยัยเป็นอันตรายนี่ในขั้นระวังขั้นรักษาขั้นยังไม่สิ้นมันต้องเป็นไปในธํานองนี้อย่างนี้ถ้าหากมันสิ้นมันหมดสงสัยมันก็ับไปมีการจะไปแก้ไขไปเกี่ยวข้องพยายามพิจัยนงผมจะชวนมาวันนั้น จะพูดธรรมะหน้าฟังแต่โอกาสมันนิดเดียวทานสอ้มาหาถามถึงเรื่องจิตใจว่ามันถูกหรืผิดหรือไม่ความรู้ความเห็นเป็นอย่างนี้หน้าอนุโมทนะความรู้ที่มันเกิดขึ้นจากจิตมันเป็นจากจิตจริงจังถึงนิดหน่อยก็มีคุณค่ามีสาระ ไม่เหมือนจำมาเรียนมาถ้ามันจำมาเรียนมาได้มากขนาดไหนมันก็ไม่เป็นของดีวิเศษให้ขอสำคัญให้มันเกิดขึ้นจากตัวเองการที่จะเกิดขึ้นจากตัวเองก็เพราะเรามีความเพียรพยายามปฏิบัติอย่าไปปล่อยใจให้ เหลือไหลหล่อแหลกไปตามสัญญาอารมณ์จะกําหนดอะไรกําหนดจริงจงจังจให้มันเห็นมันเป็นวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งให้มีสัญญาเกิดขึ้นเพราะทำการงานอันอื่นเขาได้จะทํานาทําสวนหรือเรียนหนังสือเขาเรียนได้ในวันหนึ่ง มีความรู้ความฉลาดขึ้นอันหนึ่งอันใดมีการประพฤติปฏิบัติภายในกายใจของเราถ้าไม่เกิดปัญญามันก็ไม่มีคุณค่าอะไรอยู่ไปเฉยๆเลยๆบวชก็บวชแต่กายใจเราไม่บวชให้อยู่วัดก็อยู่แต่กายใจไม่มีอะไรมีวิเศษให้ม้วัดโดยใจของตัวเองมัน หลวงมันดำมันดำมันขาวมันยืดมันยาวมันสั้นขนาดไหนไม่ได้วัดดูสักทีวันนี้กับวันวานนี้ผิดแปลกแตกต่างกันอย่างไรใจของเราเนี่ยคอยไปกำหนดดูเรื่องของใจแล้วแต่มันจะคิดจะปรงไปถ้าแบบนี้ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จิตใจจะได้ปัญญามาแจก้ไขความ ปิดข้อของตัวทำสงบไปได้คิดเท่าไรมันเกาะไม่เป็นปัญญาให้ถ้าทำสงบได้เมื่อคิดมันก็คิดในวงของธรรมไม่รวมจิตแต่เมื่อุ่งไปนอกออกจากธรรมคิด อะไรกมดคิดในวงของรรทำจิตใจนะเกิดแก้ไขขับไล่ี่เละนี่คือคนมีความสงบมามีพื้นของความสงบมาเป็นอย่างนั้นจะปล่อยให้คิดลอยลมไปเหมือนก่อนเป็นไปไม่ได้คิดแต่ในทางแก้ไขคิดแต่ทางสํามละจิตใจของตัว มเมื่ิตเหน็ดเหนื่อยก็เข้าสงบพักจิตพักใจให้มีก็ลังอีกแทนจริงว่าสมาธิความพอดีไม่ติดในสมาธิไม่ปล่อยจนหลงสังขารคือเลยเถิดเลยแดนไป การฝึกใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ <c oughs> ทุกคนทีมุ่งหมั่นมาประเพื่อปฏิบัติมาฝึกหัดอุรมใจของตัวทากันพยายามทำอย่าไปอ่านการอ่างเวลาเพราะกิเลสปัญหามันไม่้อ่างการอ่างเวลาแต่นั่งแต่นอนจะยืนจะเดินมันเกิดขึ้นได้ เห็นอยู่สถานที่ใดยินมาจากที่ใดมันเข้าไปฝังใจยึดถือในเรื่องของวิเลตันหามันแสวงอยู่ทุกเวลามันหาโอกาสที่จะยึดจถือจะติดจะคล้ อ, องอยู่เรื่อยไปปัญญาของเราขาดไม่มี มันก็ไม่ทันเรื่องของมันเราจะไปหาโอกาสนั้นโอกาสนี้อยู่มันไม่ทันเพราะมันเกิดขึ้นได้ฝ่ายตามมันเกิดขึ้นอยู่ทุกระยะทุกเวลาถ้าไม่มีธรรมะไมนมีสติรักษามันเป็นอย่างนั้นแต่จึงมีสติประคับประคองรักษาเยนาตัวเองว่ามันอยู่ใน อาจในธรรมหรือไม่ความติดข้องของใจในเรื่องของธรรมติดข้องยากเพราะยังไม่เคยเห็นเคยเป็นในเรื่องของโลกง่ายเพราะมันเคยเกิดเคยตายเคยเห็นเคยเป็นมาแล้วคำสอนจิตครูอาจารย์แนี่สอนนับวันนับคืนไม่ได้ นาปีนะับเดือนไม่ได้แต่มันไม่เข่าถึงใจถ้าเรื่องมันช่อเพียงเข้ามาร้องรำทำเพลงผ่านวัดไปเท่านั้นมันจำได้ติดข้องยึดถือไม่มีการหลงลืมตกหล่นเงยนงะ่ะแต่ธรรมะทางของศาสนาที่จะไปแก้ไขจิตใจ หนีจากโลกมันไม่ติดไม่คล้องให้เหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเทใส่เท่าลายมันก็ไหลหนีถึงติดอยู่บ้างมันก็สลักที่จิตใจของคนทั่วไปที่เป็นผู้ทุยชนมันมากอยากเป็นแบบนั้นเหตุนั้นมันจึงไม่ดีไม่มีความสงบไม่มีความละถอนกิเลสเพราะธรรมะ ไม้จะติดข้องในใจของตัวแ้าธ ร, รมะติดข้องในใจของตัวเพียงบอกเพียงสอนแนะแนวนิดหน่อยมันก็จับเอาไว้ที่ใจนาเรื่อยไปจนจิตใจได้ปัญญาละกิเลสไม่มากนิดหน่อยก็เป็นคิดเป็นของมีคุณค่า ถ้าหากจิตมันรับจิตใจอะไรมันก็ได้เกิดความแจ่ความเจ็บความตายมันมีอยู่ทุกระยะทุกเวลามีประจำถาประจำถันของเราไม่ใช่เราอดธรรมะนะมันมีธรรมะโดยการทั้งนั้นรูปไปทำนามะถามันมีเสมอกันหมดแต่จิตใจกก พิจัยนาเป็นธรรมะหรือจะพิจัยนาเป็นกิเลสเท่านั้นที่มันต่างกันเอย่าไปหาที่อื่นหาอัตหาธรรมพิจัยนาอยู่ที่ตัวของตัวเท่านั้นเพราะผูลุ่มผูหลงผูเฟื่อยผูเพื่อน ผ, ผูติดผูขวางมันอยู่นี้กำหนดตัวของตัวถวดถึงเข้าใจชัดเจนคนอื่นสัตว์อื่นทั่วโลก มันเหมือนกันหมดมันไม่มีอะไรที่จะหน่าสงสยัยที่จะหน่าเกิดเพลินปวดทิงถาดถึงขันก็าถาดขันอันเดียวกันปวดทิ้งปฏิกรูนก็ปฏิกูเหมือนกันปวดถิงอันนี้จังอันนี้จังเหมือนกันทุกขังเหมือนกันอนัตตาเหมือนกันรู้ในตัวของตัวเท่านั้น เลยหายสงสัยทั่วโลกต้องไปศึกษาหาที่ไหนธรรมะมันอยู่ที่กายที่ใจของเราดังนั้นกำหนดลงนี้กำหนดลงไปนี้เด้อความสงบสบายเป็นอย่างไรไน่ต้องไปถามใครมันจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่เห็น ในเป็นส่วนเหล่านี้ความเชื่อความเรื่มใสความเต็มใจอยากแก่ทำมันไม่มีพอมันไม่เห็นไม่เป็นรสชาติก็องอัดทามไม่ได้สัมผัสถ้ามันได้สัมผัสมันรู้มันเห็นมันเป็นในนี้แบ่แบกหามภูเขาทองทั้งลูกมาให้มันก็ไม่มีอะไรที่จะดีนร่นอยากได้ เพราสิ่งเหล่านั้นนั้นมีคุณค่าะะการะเถาอัตถาธรรมที่เราพิจารณาเถาอัตเถาธรรมที่เรารู้เราเห็นคนที่ลุ่มหลงเพลิดเพลินทุกลาบากก็เพื่อเรื่องจิตใจไม่ใช่เรื่องอืนอ่นๆความยากของจิตของใจอยากมากทั้งที่ปากท้องอิ่มแล้ว แต่มันก็ยากทั้งี่างกายทั้ผ่อนแล้วแต่มันก็คิดก็ปรุงหางานนี่เรื่องจิตใจมันทำให้เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะใจตัวเองที่ไหนมีปัญญารักษาไนมีปัญญาแน่สอนเพราะความลุ่มหลงเพราะความติดขอนทั้งๆที่นุ่มหลงขนาดนั้น เด่นร่นอยากได้ขนาดนั้นแล้วใครเล่าหอบหิวหาบหามอะไรไปได้ไม่มีใครที่จะหาบหามหอบหิวเรื่องของโลกไปได้ของแผ่นดินไปได้แล้วทราบถึงจิตถึงใจจริงจังไหมหรือหากเพียงแต่ขาดเสน่์สุมเดาเอาถ้ารู้เข้าใจจริงจังอย่างนี้ จะไปดิ่นลน่นงัวเมาแสวงหาเผลิดเพลินบาบอไปทำไมพออยู่ธรร ม, มดาก็พอเป็นพอไปอยู่แล้วไม่มีอะไรอดอยากขาดแคนแต่เรื่องห้องใจดิ่นล่นกวนกวายแส่สส่ไปตามเรื่องกิเลสตัณหามันจึงทุกข์ยากลำบาก พอไ้เห็นธรรมะตามเป็นจริงพอหเห็นธรรมะตามเป็นจริงมันหมดความอยากเมื่อหมดความอยากมันก็หมดทุกข์ทุกข์ู่ที่ความอยากยิ่งอยากยิ่งชอบเท่าไรก็ยิ่งทุกข์ ยิ่งเป็นภัยเท่านั้นทางศาสนาเป็นอย่างนั้นผู้มีธรรมะเรามมนมีธรรมะม่เป็นอย่างนั้นมันตรงกันข้ามมันจึงแบกจึงหามพบชาติวิริยตัญหาเหลื่อยไปพยายามพิจารณา หลุหลงเผยเพลินไอ้นี่ไทจะมาช่วยเราได้นอกจากเราจะช่วยตัวของเราเองถ้เชื่อเรื่องของมันก็ทุกเรื่อยไปหมุนเรื่อยไปถ้าไม่เชื่อเรื่องพวกมันพยายามพิจารณาอดกั้นพิจารณาให้เห็นจริงมันจะหมดปัญหาหมดฤทธิ์หมดเดชเรื่องจิตใจ ที่อยากได้อันนั้นอยากเป็นอันนี้มันหมดพอมันหมดในจิตการปฏิบัติจิตจะมีที่จบที่สิน้นที่สุดในเหมือนเรื่ อ, ของอของโลกเรื่องของโลกมันมีจบมีสิ้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อย จริงว่าสังฆาลาวัดหรือว่าตาส่งสามเหมือนกลงเตียนมันกลมเดินไปเท่าไรมกลรอยยาวไปเท่านั้นผองเก่าทับผ่องใหม่ผ่องใหม่ทับผ่องเก่าเรื่อยไปใจของเราหลุ่มหลงก็ทำนองเดียวกัน ท่านท่าเคยเห็นเคยได้ยินเคยได้กลิ่นได้รถมาแต่มันก็ยังลุ่มยังหลงอยู่ยังอยากอยู่ทับถมก็เรื่อยไปพี่เจนะจับผิดเรื่องของจิตอย่าไปคิดว่ามันถูกมันดี สอนจิตของตัวไม่ได้ไม่มีวันสบายไม่มีวันสงบสอนจิตของตัวได้จิตของตัวรู้เห็นเป็นจริงจิตของตัวพ้นมันไม่มีอะไรในโลกที่จะน่าสงสัยที่จะติดใจหบฉาติต่อไปเป็นอย่างไรมันก็หมดสิ้น อะไรที่จะไ้ก่อพบก่อชาติมันก็รู้จักมันยังติดพบติดชาติตรงไหนแล้วใดพยายามแจกไขพยายามทำลายการที่จะำจึงเป็นเรื่องจำเป็นของทุกท่านที่ควรสนใจควรฝึกควรปฏิบัต จะไปปล่อยวันเวลาหรือชีวิตให้เป็นโมฆะพยายามกระทําบาเพ็ญผาเพียนเขาน้าที่ของเรามาปพ็พฤติปจิบัติไม่ใช่มากินมานอนมาเล่นมาเพลินเกิดมาจะได้ชาติกว่าจะเกิดมาได้ไม่ใช่ของง่าย ลำบากอยากเย็นขนาดไหนทุกสุขที่เราเคยผ่านมามันผมมากหากคจับมาพี่นี้พี่เจนาะอะไรที่มันเป็นสาระเป็นแจนสารพอที่จะติดข้องว่าอันนั้นเป็นของแหน่นอนพอจะยึดได้ถือได้มันไม่มีหาทางพี่เจนาะให้เห็นโทษของจิต การประพฤติปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นทางให้จิตรู้เห็นเป็นจริงในจิตหลุดพ้นทางอื่นไม่มีพยายามประคับประคองจิตใจของตัวรักษาปฏิบัติจะไม่เหลือวิสัยมรรคผลธรรมวิเศษ สี่พระพุทธเจ้าหรืออริยาสาวโ ก, โกเห็นอย่างไรจะเป็นสมบัติของเราเมื่อเราต่างหน้าต่างตาปฏิบัติฉะนั้นขอทุกท่านจงนำไปที่นิพพานกำหนดศึกษากายใจของตนความสงบสุขจะเป็นของทุกคนการอธิบายธรรมเห็นว่าพอสมควรจิตเวลา เพรายุตเ่งแค่นี้